เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจักเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนาย้ก่อนคนชอบเล่านี่ก็คือคลิปของหมวดนิทานนิทานเรื่องนี้เป็นสั้นๆมาจากนิทานเซนเรื่องราวสั้นๆจะเป็นอย่างไรก็เชิญรับฟังครับการแข่งแย่งแข่งขันการอยากเอาชนะกันก็ล้วนมีอยู่ทุกชนชั้นในสังคม แม้สังคมของพระก็ไม่เว้นทั้งที่เกิดขึ้นกับท่านเบงกอีซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการอบรมสั่งสอนการเทศนาธรรมที่จับใจน่าฟังอย่างยิ่งถึงขนาดว่านิกายใดสำนักใดก็ดันโดนเดินทางมาเพื่อฟังท่านสอนสั่งทางปัญญาแม้คนจากทุกสารทิศแห่แห่กันมาชุมนุมที่วัดท่านอาจารย์เบงกอีที่เดียววัดอื่นๆก็ร่ำหรอปราศจากผู้คนจนบางวัดถ้าจะเป็นวัดร้างอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าพระบางวัดที่เสียเปประโยชน์หาคิดไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์คิดอิจฉาว่าวัดของท่านเบงกอีมันจะมีอะไรดีนักหนาเชียวคนแห่เห็นกันไปอย่างกับแจกของฟรีทำตัวอย่างกับงานชิงเปรดซึ่งความคิดประเภทนี้ได้บังเกิดอย่างแรงกล้ากับพระในนิกายเซนรูปหนึ่งพระรูปนี้กรดแข้นขนาดถึงที่ว่าจะต้องทำลายล้างท่านเบงกอีให้สิ้นซากจำต้องทำให้ได้รับความอับอายจนหาที่แทรกแผ่นดินไม่ได้กันเลย และเมื่อพระรูปนี้คิดได้ดังนั้นก็ได้เดินทางไปยังวรรัดของท่านเบงกอีเพื่อหมายจะปฏิบัติการตามแผนการเสวนา this เลยขณะที่พระรูปนั้นมาถึงวรรัดของท่านเบงกะอีที่เต็มไปด้วยผู้คนแน่นวรรัดไปหมดหก็ยิ่งมาเกิดความเครียดแค้นริษยาเป็นยิ่งนักว่าแล้วก็เดินอดัดอัดเข้าไปยังศาลาที่ท่านเบงกะอีสแสดงทำอยู่พร้อมกับตะโกนด้วยเสียงดังก้องวัดว่าเฮ้ยประเดี๋ยวก่อนเถอะท่านมีผู้คนเคารพท่านมากมาย แต่ท่านจะทําอย่างไรให้ข้าครอบเชื่อฟังท่านได้เฮะท่านเบงกอีได้ยินดังนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็มาสิท่านมายืนข้างๆฉันนี่มาและฉันจะทำให้ท่านดูว่าทําอย่างไรเมื่อฟังจบพระจอมวุ่วายผู้นี้ก็จําเอาไปหาท่านเบงกอีทันทีขนาดว่าฝูงชนที่รายล้อมท่านเบงกะอีมากมายก็แทบลบไม่ทันทีนี้พระรูปนั้นไปยืนราค้างท่านเบงกอีด้วยความเหมื่มใจเมื่อตนได้รับเชิญไม่ทันไรท่านเบงกอีก็ว่า ไม่นะท่านตรงนี้ยังไม่เหมาะฉันบัดทันขยับมายืนทางซ้ายดีกว่าพระจอมบวยวายไม่รอช้ารีบมายืนถึงซ้ายมือท่านเบงกอีทันทีเออแต่ว่าถ้าท่านอยู่ข้างซ้ายฉันฉันกเกรงว่าจะพูดด้วยไม่นถนัดถ้างั้นท่านมายืนทางฝั่งขวาฉันเถอะแน่นอนว่าพระรูปนั้นก็รีบก้าวเท้ามายืนอยู่ฝั่งขวาของท่านเบงกอีทันทีแถมยังทําท่าผยองเยอะยิ่งเหลือเกินคิดว่าตนนี้หนอได้รับเกียรติจากท่านเบงกอีให้มายืนเสมอท่านและที่ตนมาก็มาแบบท้าทาย ดูสิท่านเบงเกอีก็เกรงใจให้ใหไม่ยินใกล้ๆสิอีกแต่ไม่ทันที่พระรูปนั้นจะฝันเฟื่งไปไกลพลันก็ถูกฉุดไว้ด้วยเสียงท่านเบงเกอีว่าเห็นไหมละ่ะที่ท่านทำอยู่นี่ละ่ะคือการที่ฉันทําไม่ทันเชื่อฟังและในเมื่อท่านเชื่อฟังฉันแล้วก็จงมานั่งฟังธรรมเดียกันเถิดและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปในนิทานก็ไม่ได้บอกไว้แต่เชื่อแน่ว่าพระอวดดีรูปนั้นคงได้รับความอับปายถึงเกืบหงายหลังหรือจุกอกไปเลยกับคําพูดของท่านเบงเกอี ซึ่งนี่แหละที่บอกว่าเซนมักสอนแบบตรงจุดตรงใจเหลือเกินและแม้ว่าพระรูปนั้นจะเสียความมั่นใจไปแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือปัญญาซึ่งปัญญานี้แหละที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เมื่อเราได้ฟังนิทานเรื่องนี้เราคงเห็นแล้วว่าพระอวดดีรูปนี้ที่บุกไปที่วัดของท่านเบงเกอีนั่นก็เป็นพระความอิจฉาริษยาที่มีอยู่อย่างเต็มอกและยังประกอบกับความอวดดีอวดรู้คิดว่าตนเหนือกว่าท่านเบงเกอี คิดว่ามาเยือนถิ่นท่านแล้วจะทําให้ท่านเป็นไก่อีอับอายขายขาี้หน้าสุดท้ายตนเองนั่นแหละที่ต้องแทรกแผ่นดินหนีอย่างนี้เรียกว่ า, ารุนหาที่ชัดชัดอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าพิจารณาไม่ได้อยู่ที่ว่าพระจอมอุดีนั้นได้รับผลอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าเราท่านได้รับปัญญาจากเรื่องนี้อย่างไรต่างหากถ้าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเห็นว่า พระรูปนั้นแม้เดิมจะฉลาดมีความสามารถสูงจนกล้ามาต่อกรกักบท่านเบงกายีถึงถิ่นแต่ความฉลาดอย่างเดียวก็มิได้ช่วยอะไรหากปราศจากความเฉลียวด้วยคนฉลาดก็กลายเป็นคนโง้อได้ทันทีพระความเฉลียวใจจะทําให้เรามีสติอยู่เสมอรู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรในสถานการณ์นั้นๆโดยเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่จู่ๆก็เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวสําหรับความเฉลียวนี้ก็สามารถฝึกได้ให้ทัดเทียมกับความฉลาดนี่แหละ คือเราควรมองให้ ร, บรอบๆด้านการเพ่งจิตไปที่เรื่องนั้นๆอย่างเดียวแม้จะช่วยทำให้เราทําเรื่องนั้นได้ดีแต่ก็ทําให้เราหลงลืมบางเรื่องไปซึ่งบางเรื่องอาจกลายเป็นเส้นผมบางภูเขาไปเพราะความที่เราไม่ทันเฉลียวใจไม่ได้คิดรอบด้านสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแท้ๆก็มองไม่เห็นเหมือนอย่างคนที่หาของไม่เจอบ่อยๆนั่นแหละเช่นคนที่หาแว่นตามไม่เจอหาทุกที่หาทุกห้องแล้วก็ยังไม่เห็นเลย สุดท้ายก็อยากจะชกหน้าตนเองเพราะที่แท้แว่นที่หายอยู่นั้นก็อยู่บนหัวตัวเองนั่นแหละอย่งนี้ถ้าไม่เรียนเพื่อเส้นผมบางปูเขาแล้วจะเรียกอะไรการทํางานของเราก็เช่นกันหากขาดซึ่งความเฉลียวแล้วใช้แต่ความฉลาดอย่างเดียวมันย่อมไม่พอเพราะแม้เราจะฉลาดรู้ไปทุกเรื่องทุกอย่างเก่งไปหมดแต่ลืมคิดไปเรื่องหนึ่งก็อาจทําให้เกิดผลเสียกับงานที่ทําอย่างใหญ่หลงก็ได้ ดังนั้นมาดูกันเถอะว่ามีข้อคิดดีๆใ ด, ดบ้างที่จะให้เรานําไปใช้แล้วทาให้ได้เกิดความเฉลียวพร้อมๆกับความฉลาดเช่นอย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆไม่สําคัญเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเราไม่เห็นความสําคัญมองให้ทั่วมองให้ตลอดอย่าเอาแต่มองมุมเดียวหรือมองแต่มุมของตนเท่านั้นการมีสติอยู่เสมอจะทําให้ความเฉลียวใจบังเกิดขึ้นการเมตตาภาพยึดมั่นถือมั่นมักจะทําให้ความเฉลียวหายความฉลาดหด เพราะระมัดตามืดหมัวจนอวดดีอวดรู้สุดท้ายก็ขาดสติซึ่งควรเฉลี่ยก็ไม่เฉลีย่ยสุดท้ายให้คิดว่าตนยังไม่ฉลาดเพราะถ้าเราคิดว่าเราฉลาดแล้วเราก็จะไม่เสียดเียวใจเลยว่าเราจะหลงลืมเรื่องใดไปครับและนิทานสั้นๆก็จบลงแล้วอันที่จริงนิทานจบลงไปนานแล้วแหละแต่ช่วงหลังนี้ก็คือแก่นของนิทานเรื่องดีๆรู้ไว้บ่อยๆก็ไม่เป็นไรมันเหมือนเป็นการเตือนสติไปในตัว เพราะว่าอะไรที่ดีมันก็คือดีอยู่บนยานค่ำนั่นแหละก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับเนื้อหาสาระจากนิทานเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขอให้ทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดัตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ